และท่านยังได้ยกตัวอย่างว่าอาจารย์สัญญาธรรมศัก์ที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนี้เป็นการเล่นการเมืองนั้นไม่มีทางทำพระนิพพานได้แน่จากข้อความดังที่กล่าวมานี้คุณหมอภาคดีลิมสุวรรณจึงได้เกิดความสงสัยว่าพระอาริยบุคคลหรือคนที่ปฏิบัติธรรมเพื่อพระนิพพานที่ยังครองเรือนอยู่จะเล่นการเมืองปกครองประเทศหรือปฏิบัติภารกิจอื่นๆในสังคมได้หรือไม่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 ต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจากตัวอย่างบุคคลในประวัติศาสตร์เท่าที่ยกมาให้ดูเพียงเล็กน้อยนี้ก็เปลี่ยนที่เห็นได้ชัดแล้วว่านักการเมืองหรือนักเศรษฐกิจก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุถึงนิพพานได้เพราะแม้แต่ผู้ที่บรรลุถึงนิพพานแล้วคือเป็นพระโสดาบันซึ่งแปลว่าผู้แรกบรรลุถึงนิพพานนั้นก็สามารถทางานในทางโลกได้มากมาย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 ในบางครั้งย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องสั่งประหารชีวิตคนที่กระทำความผิดและถ้าบ้านเมืองเกิดศึกสงครามก็จำเป็นจะต้องสั่งให้ทหารออกรบซึ่งก็เท่ากับสั่งให้ไปฆ่ากันการกระทำเช่นนี้เป็นการผิดศีลและถ้าผิดศีลก็ต้องแปลว่าพระเจ้าพิมพีสารไม่ใช่พระอริยบุคคลเพราะโดยธรรมดาพระอริยบุคคลทั้งหลายแม้ตัวเองจะตายเพราะถูกคนอื่นฆ่า แต่ตัวเองก็จะไม่ยอมฆ่าใครเป็นอันขาดปัญหาในเรื่องนี้มีคนสงสัยกันมากเพราะฉะนั้นจึงได้เข้าใจกันว่าคนที่คิดจะปฏิบัติธรรมเพื่อจะไปนิพพานนั้นไม่ควรจะมาเล่นการเมืองใครจะเข้าใจอย่างไรก็ตามแต่ข้าพเจ้ามีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าคนที่สัางฆ่าคนอื่นหรือจำเป็นจะต้องฆ่าคนอื่นนั้น ถ้าหากทำด้วยความเมตตากรุณาอย่างลึกซึ้งในผู้ที่ถูกฆ่าใจจริงไม่อยากจะฆ่าเลยความโกรธความเกลียดในผู้ที่ถูกฆ่าไม่มีแต่ก็จาเป็นต้องฆ่าหรือสั่งให้ฆ่าเพื่อเห็นแก่ความสงบสุขของบ้านเมืองในกรณีอย่างนี้ถึงหากจะมีบาปก็น้อยมากตัวอย่างในคำภีก็มีเช่นหญิงสาวคนหนึ่งเป็นพระโสดาบันแต่ได้สามีเป็นนายพราน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 ซึ่งถ้าหากว่าเข้าใจจริงๆแล้วเราจะเข้าใจได้โดยไม่ยากว่าพระอริยะบุคคลเช่นพระเจ้าพิมพิสารแม้จะสั่งให้ฆ่าคนในเมื่อคนนั้นทำผิดกฎหมายบ้านเมืองบาปก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่พระองค์แต่นั่นต้องเข้าใจให้ดีว่าเพราะเหตุที่พระเจ้าพิมพิสารเป็นพระอริยะบุคคลเพราะฉะนั้นเจตนาที่จะฆ่าใครจริงๆนั้นไม่มีเลยใจบริสุทธิ์จริงๆ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 แต่แล้วไม่รับสั่งให้ลงโทษอะไรเลยกลับปล่อยตัวไปและเป็นไปได้หรือซึ่งคนที่เคยเป็นโจรกลับตัวไม่นานเท่าไหร่ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ปัญหาต่างๆในทํานองนี้ข้าพเจ้ายังไม่ตอบปล่อยให้ผู้อ่านนำไปคิดกันเสียก่อนต่อเมื่อมีใครถามปัญหามาจึงจะตอบแล้วก็ใครที่จะฝากข้อคิดไว้อีกสักอย่างหนึ่งว่า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 แต่ประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาก็บันทึกเอาไว้แล้วว่าพระเจ้าพิมพิสารนั้นเป็นพระโสดาบันและก็สามารถปกครองบ้านเมืองได้เรียบร้อยประชาชนได้รับความร่มเย็นและในสมัยของพระองค์ไม่เคยลุกราณประเทศไหนเลยแต่บางคนก็อาจจะเห็นอีกว่ากษัตริย์แบบนี้ไม่ดีอ่อนแอเกินไปบางคนอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้